บุก <Book> 2 44อูร์สอรมุตสตอิไปเที่ยวกลางคืนซาคมุสกาเีร์เนบะซาคามุสกาเีร์เนบที่นี่มีดิสโกเทกไหม อริสักดิสโกเทกอริสักดิสโกเทกาที่นี่มีในครับไหมอาริสักสคบอาริสักมิสคลูบีที่นี่มีผับไหม อ, อริสักกเปอริสักกาเป เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไรรักาดิสตรสารสเทตรช์ชรกาดิสตราสเทตร์ชเย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรรักาดิสตรสารสคินโนชรกาดิสตรสารสคินโนชีเย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู รรกยังม <unlucky> ja, ีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับอีเดเทปลทบีอทปทบยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับอกเดวินทบ ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับบผมต้องการนั่งข้างหลังซูผมต้องการนั่งตรงกลาง sadme s h u a i m i n d a d o m a sadme shuashiminda c d o m a ผมต้องการนั่งข้างหน้า sul tsin minda c d o m a sul tsin minda d o m a คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม shagizliat rame mirchiot h g i z l i a t rame mirchiot การแสดงเริ่มเมื่อไรรดิสอิตเซบัตซาร์มดเก่นาคุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหมเชกิทซ์เลียตรอร์ที่บิลที่เมโชวนชทเท่านี้มีสนามกอล์ฟไหม อารสักอาคลส์กอลฟิส์โมอตานีอาริสักอา o ลส์กอลฟิส์โมเอตานีแถวนี้มีสนามเทนนิสไหมอาริสักอาคลส์เทน e ิสิสโมเอตานีอา o ิสักอาคลส์เทนนิสิสโมเอตาน e แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมอาริสักอาคลส์ซาซอาซ a r i ิสก ak ัพโลสสัตว์สุราอ